ไปทำบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่างคราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่าฐานของเราได้ผลสมบูรณ์ไหมเริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหมเจตนานั้นท่านยังแยกออกไปอีกเป็นสามคือหนึ่งบุพเจตนาเจตนาก่อนให้คือตั้งแต่ตอนแรก เริ่มต้นก็ตั้งใจดีมีความเลื่อมใสจิตใจเบิกบานและตั้งใจจริงแข็งแรงมีศรัทธามากต่อไป 2. มุญจนะเจตนาขนาดถวายก็จริงใจจริงจังตั้งใจทำด้วยความเบิกบานผ่องใสมีปัญญารู้เข้าใจส ปราปราเจตนาถวายไปแล้วหลังจากนั้นประลึกขึ้นมาเมื่อไรจิตใจก็เออบ่มพองใสว่าที่เราทําเป็นนี้ดีแล้วฐานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์เช่นได้ถวายบํารุงพระศาสนาพระสงฆ์จะได้มีกําลังแล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติศา ส, สนากิจช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอืบออิ่มปลื้มใจท่านใช้คาว่าอนุสอ์ด้วยโสมนัสถ้าโยมอนุสอ์ด้วยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วโยมก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุสอนนั่นแหละคือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็ได้บุญเพิ่มคราวนั้นนี่คือเจตนาสามการซึ่งเป็นเรื่องสําหรับทายก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 ที่จริงเราได้แค่ทานหรือเปล่าหรือว่าเราได้ครบเป็นบุญเต็มจริงๆถ้าเป็นบุญก็คือได้ครบทั้งสามประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา